เคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างนะยืนอยู่ริมหน้าผาเป็นผาสูงหรืออาจจะเป็นยืนอยู่บนดาดฟ้าที่สูงมองเห็นพื้นข้างล่างถ้าหน้าผาหรือดาดฟ้านั้นไม่มีราวกั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะถึงความกลัว กลัวอะไรนะกลัวว่าจะพลัดตกหน้าผาหรือดัดฟ้าแต่เวลาเรายืนอยู่บนเก้าอี้เนี่ยหรือบนโต๊ะเนี่ยไอ้ความกลัวว่าจะตกเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหัวเลยแล้วทำไมมันถึงเกิดความรู้สึกที่ต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ยืนอยู่บนหน้าผาหรือริมผาเนี่ยหรือ ริมดาฟาเนี่ยเรารู้ว่าถ้าตกลงไปนี่ก็กลเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ไม่ใช่แค่ความรู้นะว่าตกไปแล้วอันตรายเท่านั้นนะมันต้องมีความคิดตัวหนึ่งพุดขึ้นมาด้วยคือคิดว่าอาจจะตกลงไปพอมีความคิดนี้เกิดขึ้นนี่ความกลัวมัน เกิดขึ้นนะบางทีจับใจเลยในขณะที่เวลาเรายืนอยู่บนเก้าอี้หรือบนโต๊ะเนี่ยมันไอความคิดว่าอาจจะพัดตกเนี่ยมันมันไม่มีอ่โดยเพราะคนที่คุ้นกับการยืนอยู่บนเก้าอี้หรือบนที่สูงที่ไม่มากเท่าไหร่แล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลัวว่า จะตกลงไปนะหลายคนบอกว่ามีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นนะคือกลัวว่าจะโดดลงไปมันไม่ได้กลัวว่าจะพัดตกนะแต่กลัวว่าตัวเองจะกระโจนโดดลงไปไอ้ความกลัวนี่มาจากไหนมันก็มาจากความคิดนะมีความคิดบูบตึงขึ้นมาว่าเนี่ยน่าโดดลงไปนะ หรือว่าถ้าโดนลงไปจะเป็นยังไงหลายคนนี่ต้องเดินกระเถิบถอยห่างเลยนะพเพราะกลัวว่าจะทำาันจริงๆมันก็แปลกนะที่คนเรามีความคิดแบบนี้ความคิดที่อยากจะทำอะไรบางอย่างที่รู้ว่ามันเป็นอันตรายมันก็คงเป็นความคิดเดียวกับที่เวลา เจอมีคนเอาอยาเสพติดมาให้นะเป็นเฮโรอีนอยาไอ้อยาบ้าอะไรหลายคนก็รู้นะว่ามันมันเป็นอันตรายแต่ว่ามันมีความคิดนะ มันก็มีอะไรมาเป่าหัวลองดูสิมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้นะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะหาภัยมาใส่ตัวเมื่อความคิดที่อยากจะโจลงไปโดนลงไปจากหน้าผาหรือดักจากดาดฟ้าอย่างี้ยังที่รั่ว ม, มันก็เป็นอันต ร, รายเป็นโทษแต่ว่ามันก็มีความคิดแบบนี้ เกิดขึ้นมาได้มันก็ในใจเราเนี่ยมันมีตัวตัวร้ายนะที่มันคอยเป่าหูให้เราทำในสิ่งที่เป็นทั่วกับตัวเองมันไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่ามันอาจจะอยากจะลองหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ ก็แค่เป็นความคิดพิเรนที่เกิดขึ้นและบางคนก็ก็พ่ายแพ้ต่อมันนะอาจจะไม่ได้ถึงทำอะไรที่ไรแรงถึงตายแต่ว่าก็เป็นการเสี่ยงอันตรา ย, ยาเช่นพวกขับรถสิงอลไรพวกนี้พวกนี้าจะไมไ่ใช่แค่หลงเพลินในความสุขความตื่นเต้นอย่างเดียวนะแต่มันมีอะไรบางอย่างในใจที่เหมือนกับว่า อยากจะหาภัยใส่ตัวในความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะว่าไปก็มีอยู่ในทุกคนก็ว่าได้นะอยู่ที่ว่ามันจะคลองจิตคลองใจเราได้ง่ายหรือได้มากหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่ความความเห็นที่เห็นผิดเป็นชอบนะ หรือไม่ใช่แค่ความความโลภนะที่หรือความโหยหาความสุขสนุกสนานมาปนเปื้อนตนอันนี้ก็มันก็มีอยู่ในทุกคนนะนะั่นนะบางทีบางทีก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าไอ้ความหลงไหลอยากจะเสพความสุข มาปนเปิดตนทำให้เข้าหาบางสิ่งบางอย่างทั้งที่บางทีก็ อ, อาจจะต้องอาจจะถึงกับผิดศีลเช่เนไปลักขโมยนะหรือว่าไปทําผิดประเวณีเพราะว่ามันทนความอยากไม่ได้เพราะว่าเห็นแก่ความสุขชั่วคราวอันนี้มันก็เป็นการเป็นความเป็นแรงกระตุ้นที่มันทำร้าย คนเราอยู่บ่อยๆนะบางทีอาจจะไม่ถึงกับผิดสีหรอกนะแต่ว่ามันมันเป็นโทษในระยะยาวนยะเช่นทนั้งที่ป่วยนะเป็นเบาหวานแต่ว่าก็มันก็อยากจะกินของหวานกินขนมกินช็อกโกแลตกินไอศครีมมันขังข้ามใจไม่ได้ เมัมีความยากหรือว่ากินของทอดของปิ้งของอย่างเนี่ยจนเป็นนิสัยแล้วก็พอเริ่มก็ห้ามไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ากินมากนี่มันจะเป็นโทษต่อร่างกายบางที่หมอก็ห้ามนะก็อย่า ก, กินเยอะอันนี้ไม่มาพูดถึงเรื่องการกินเนื้อกินไขมัน บางคนนี่หัวใจถามหาแล้วก็ยังอักห้ามใจไม่ได้มันมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้นะต้องเสพมันไม่หยุดหย่อนอันนั้นก็ตัวหนึ่งนะแต่ว่าไอ้แรงกระตุ้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นที่อยากจะเข้าไป หาเรื่องใส่ตัวหรือว่าอยากจะเข้าไปเจอภัยอันตรายทั้งที่กลัวก็กลัวนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งมันก็เหมือนก็มีอะไรมาเป่าหัวเอาเถอะลองดูเลยนะหลายคนก็กลัวความความคิดนะแบบนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วนี่มันก็มันก็มีอยู่นะเป็นประจำ ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนจนบางคนเรียกว่าเป็นสัญชัตติยานเลยสัญชัติยานที่จะหาภัยใส่ตัวแล้วคนที่รักตัวกลัวตายนี่มันก็จะมีความกลัวความคิดชั่ววูบหรือว่าไอ้สัญชัตติยานตัวนี้มากแต่ถ้าว่า ไม่มีอะไรที่คอยปกป้องรักษาใจเลยเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ต่อในความคิดหรือสัญชาตญาณตัวนีเน้เพราะมันคอยเป่าหูเรานะในเวลาที่เราเผลอสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นะที่จะคุ้มครองรักษาใจไม่ให้พ่ายแพ้ต่อในความคิดหรือว่าสัญชาตญาณตัวนี้เนี่ยที่ทมมาคือสตินีน่สตินี่มันเป็นเครื่องอารักขา เป็นเครื่องรักษาใจไม่แพ้แพ้ต่อความคิดหรืออารมณ์ไฟต่ำนะที่มันถูกปรุงด้วยอำนาจของกิเลสถ้าไม่มีสติเนี่ยก็ง่ายที่จะพัดหลงไปสู่การกระทาที่เป็นโทษกับตัวเองไม่ว่าด้วยความอยาก ความโหยหาความสุขเฉพาะหน้าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่หรือไม่เช่นนั้นก็พายแพ้ต่อความคิดที่มันอยากจะทำร้ายตัวเองหรือว่าหาภัยใส่ตัวมันเป็นตัวร้ายนะที่มาในหลายรูปแบบตึงคอยเป่าหูนะ ให้เราเนี่ยหลงเชื่อมันแล้วคนที่ไม่มีสติเนี่ยหรือขาดสติเนี่ยในยามใดมันก็พ่ายแพ้ต่อตัวร้ายเหล่านี้หลวงพ่อมเกีนเยนิึคนพูดว่าเนี่ยการขาดสติก็คือความอาภัพอับจนทางจิตนะคนเรานี่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยในยามนั่นแหละนะเป็นคนที่อาภัพมาก ถึงแม้ว่าจะร่ำรวยนะมีบริษัทบริวารมากนะแต่ว่าในทางจิตใจล้วก็เนีเราเรียกว่าอาบัอาบผอบับจนนะคงคล้ายๆกับเด็กกำพร้าเนี่ยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยปกป้องรักษาเด็กเล็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อนี่ ก็อยู่ในความเสี่ยงมากเพราะว่าจะมีคนมารังแกรหรือว่าคนมาหาประโยชน์และพ่อแม่นี่ก็ช่วยได้ในเรื่องการป้องรักษาเด็กให้ปลอดพ้นจากภัยจากผู้คนหรืออันตรายภายนอก แต่ว่าอันตรายนี่มันไม่ได้มีอยู่แค่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเช่นหมูเงี้ยวเคี้ยวขอผู้ร้ายโจรหรือว่าภัยธรรมชาติรวมไปถึงเชื้อโรคเนี่ยอันนี้มันก็เป็นภัยที่คุกคามคนเราแต่มันก็ไม่ได้มีเท่านั้นอ พุทธศาสนาเรยว่านี่เป็นภัยที่เปิดเผยแต่ว่ามันยังมีภัยอีกชนิดหนึ่งนะคือภัยภายในนัเรียกว่าภัยที่ปกปิดแล้วก็รวมก็หมายถึงพวกเนี่ยความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทกิเลสอวิชชาเนี่ยอันนี้ก็รวมไปถึงไอ้ไอ้แรงกระตุ้นที่มันอยากจะหาเรื่องใส่ตัวด้วยนะ มันก็สามารถที่จะถ้าไม่มีเครื่องป้องกัน ร, รักษาภัยชนิดนี้เนี่ยมันก็สามารถจะทำร้ายนะจิตใจของเราได้นะความโกรธมันก็เผาจิตเผาใจเรานี่เป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าความเครียดมันก็นะบีบคั้นจิตใจเรานะจกนกระทั่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับจนทังเจ็บป่วยหรือถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยที่เป็นตัวโลภตัวราคะนี่มันก็พาเราไปนะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจของตัวเองรวมทั้งตัวร้ายเนี่ยที่มันคอยชักนำให้เราเนี่ย ทำร้ายตัวเองเนี่ยงนั้นถ้าเราตอเมื่อเรามีสตินะเราก็จะมีเครื่องอารักขามันจะไม่ใช่เป็นคนที่อาภัพอาบจนอีกต่อไปถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่เหมือนกับมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองไม่ใช่เด็กอนาถา คนเราเนี่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ได้นะถูกคุกคามด้วยภัยจากภายนอกแต่ว่าภัยที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันก็เล่นงานผู้คนจนบางทีเอาตัวไม่รอดก็มี คนเราไม่ก็เห็นความสำคัญนะของการมีสติเป็นเครื่องอารักขาจิตหรือเพราะในยามที่ชวิตราบรื่นหรือประสบความเจริญประสบความสร็จในชีวิตในอาชีพการงานอยู่สุขสบายมีเงินมีทองมีครอบครัวที่อบอุ่นมีมิตสหายหรือว่ามี บริษัทบริวารเยอะเพราะคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตฉันเนี่ยไปโลดไปสบายได้อันนี้คนจึงปรารถนานะปรารถนาลาบยศสุขสารเสริญแต่พอเจอทุกข์ภัยบางอย่างก็พบ ว, ว่า ไอสิ่งที่ว่ามันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเช่นเวลาป่วยหนักเนี่ยพอป่วยหนักเข้าเงินเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้แม้จะมีมิตรสหายเยอะขอก็ไม่สามารถจะทาให้นะหายเจ็บหายป่วยโดยเพราะหายโศกหายหายหายเครียดหายวิตกกังวลได้เราต้องหายกลัวด้วย มีพ่อมีแม่ที่รักเราปานใดเนี่ยเขาก็ช่วยได้แต่ให้กำลังใจนะแต่ว่าความกลัวตายหรือว่าความเครียดความทุกข์ใจสารพัดเนี่ยมันเล่นงานยังไม่นับไอตัวโรคซึ่งบางทีรักษาแม่หายไม่ว่าจะมีเงินหรือเทคโนโลยีก้าวหน้าเพียงใดในยามนั้นนะสติเนี่ยมันจะ เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงโคโลเจเนได้ชัดเลยตอนที่มีสิยญาณที่ตั้งสติได้เนี่ยมันจะเกิดความปกติกับคืนมาแม้ว่ากายจะป่วยนะแต่ว่าใจก็ไม่ได้ป่วยตามเพราะมีสติว่ามีความรู้สึกตัวตามมาในยามยากในยามทุกเนี่ยนะหลายคนจะพบว่าเนี่ย ใจที่มีสติใจที่มีความสึกตัวนี่แหละนะจะเป็นที่พึ่งสําคัญเรียกว่าเป็นมิตรีประเสริฐนะเป็นมิตรแท้ในยามยากเลยคนเรานี่ในยามยากนี่บางทีวิสัยเพื่อนฝูงก็หนีหมดหรือถึงไม่หนีเขาก็ช่วยได้อย่างจํากัดเวลาปล่วยเขาก็แค่มาเยี่ยมมาให้กําลังใจแต่ว่าถ้าไม่มีสติเป็นเพื่อนนะ มันก็นอนไม่หลับมันก็เครียดมากแต่พอมีสติหรือเรียกสติกลับมาได้นี่โอ้ก็สามารถที่จะอยู่ความเจ็บป่วยได้โดยที่ใจไม่ทุกข์มันไม่มีอาการโวยวายตีโพยตีพายอันนี้เราไปถึงเวลาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากชนิดอื่นด้วยยังมีนักโทษที่รอประหารคนหนึ่งเนี่ย อันนี้เคยรลาให้ฟังแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตนะในข้อหาที่ไปฆ่าผู้คุมซึ่งสาหรับ้ขานี่มันเป็นความอายุติธรรมมากเพราะว่าถูกใส่ร้า ย, ายต้องขังถูกขังอยู่ในคุกเดี่ยวที่คับแคบแล้วก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ บายครั้งเนี่ยนอนไม่หลับภาวาฝันร้ายพภาวาตัวเองกำลังถูกนำไปประหารชีวิตก็ยังไม่นับถึงความทุกข์ต่างๆในอดีตที่มันรุมเราเสียงวนคลางเสียงหวยหวนเสียงร้องของนักโทษที่อยู่ห้องติดติดกันมันทำให้ประสาทได้ง่าย ก็อยู่กับมันมาเป็นสิบปียีสิบปีนะแต่ตอนหลังก็อยู่ได้นะแล้วอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ทุกทรมานเท่าไหร่เพราะเขาอาศัยนะอาศัยการเจริญสตินี่แหละในเวลาที่ความคิดอารมณ์ต่างๆพุ่งพล่านฝันร้ายก็อาศัยลมหายใจเนี่ยเรียกสติกลับมาในยามนั้นเนี่ยมไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้นะ มีแต่สติเท่านั้นแหละนะที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วก็รักษาความเป็นมนุษย์นะที่ไม่วิกลจริตเอาไว้ได้มันก็มีเสียงเป่าหนะูสารพัดนะให้เขาทำในสิ่งที่เลวร้าย ก, กับตัวเองนะแต่ว่าเขาไม่ยอมก็เรียกว่าอาศัยสตินี่แหละเป็นเพื่อนด้วย ประคองจิตเอาไว้ได้ตอนหลังก็มาสมาทานพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวเลยเพราะพบ ว, ว่าเนี่ยคำสอนในพุทธศาสนานี่ช่วยได้ไม่ใช่เพราะเรื่องของสติจนกระทั่งบางทีมีเพื่อนร่วมคุกเนี่ยก็มีบางช่วงที่เขาเดินออกมาออกไปออกกําลังกายแล้วก็เจอผู้คนได้ที่ร่วมคุกร่วมชะตากรรมเดียวกันก็มีหลายคนเนี่ยนะประหลาดใจมากวาเนี้ มาสนใจสมาธิเจริญสติได้ไงในสถานาอย่างเนี้เดีย๋ยวมีคนบอกเนี่ยเป็นเป็นชาวพุท ด, ไ, ดไงในนรกแบบเนี้ยเพราะในความเห็นของคนเหล่านี้พุทธพุทธเนี่ยเป็นเรื่องความคนหน่อมแนมพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนที่หน่อมแนมมันไม่ใช่คนที่เป็นแมนคนที่เป็นแมนมันต้องสู้มันต้อง เก้าวร้าวกราดเกลียวถึงจะอยู่ได้ด้เลยพูดเนี่ยหยอกล้อถักทางว่าเนี่ยเป็นพุทธได้ยังไงในนรกแบบนี้แล้วก็ตอบดีนะบอกว่าเนี่ยจะอยู่ในนรกแบบนี้ได้ยังไงถ้าไม่เป็นพุทธเนี่ยเป็นพุทธนี่ไม่ได้หมายถึงว่าแค่นับถือพุทธนะแต่ว่าปฏิบัติ ด, ด้วยปฏิบัติจนกระทั่งได้มี ความตื่นรู้นะมีสติแล้วเขาถูกว่าความเป็พจำเป็นมากนะความเป็นพูดในที่ทำหมถึงว่าหนทางแห่งการปฏิบัตินะเพื่อ ม, มาช่วยทำให้มีมีสติมีความสึกตัวสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ความทุกข์นานาชนิดเข้ามาครอบงำ ไม่หลงเชื่อตัวร้ายที่มันคอยมาเป่าหูหรือตัวหลงที่มันคอยมาจู่โจมนะเล่นงานจิตใจโอเมมันไม่ใช่ง่ายเลยนะรักษาตัวรักษาใจเป็นผู้เป็นคนได้ในในคุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นเวลาสามสิบปีสี่สิปีเนี่ยสี่ิปีเข้ามาแล้วโดยที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ อันนี้เราว่าทั้งที่อยู่ในภาวะที่ยากลำบากที่ไม่มีใครช่วยได้เพื่อนมากมายเพียงใดเขาก็ช่วยได้แค่ส่งอาหารส่งของมาให้อย่างอื่นทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเขามีมิตรทีรเสรินะคือสติที่นำความสึกตัวมาให้เขาน้สติเนี่ยมันเป็นมิตรแท้ในยามยากจริงๆนะ คนเราในยามที่ยังไม่ยากนี่ยังไม่ค่อยเห็นคุณค่างสติหรอกแต่พอตกอยู่ในความทุกข์ความยากลำบากตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยสติมันจะช่วยประคองใจนะไม่ให้ความทุกข์ครอบงำไม่ให้อารมณ์อกุศลต่างๆนี่เข้ามาเล่นงานจิตใจ ไม่หาเรื่องใส่ตัวแล้วก็ไม่ซ้ำเติมตัวให้เป็นทุกข์หนักขึ้ น, นสติมันทาให้แม่ใจอยู่ในคุกนะแต่ก็แค่กายเท่านั้นแหละที่อยู่ในคุกแต่ใจนี่เป็นอิสระได้ในยามป่วยนะแม้ว่ากายจะป่วยแต่ว่าใจก็ไม่ป่วยใจก็ยังเบิกบานแม่พิการเนี่ยมันก็พิการแต่กายนะแต่ใจสดใส เพราะว่ามีสติมีความสึกตัวนี่แหละนะช่วยรักษาใจเอาไว้ดัน้คนเรานี่ต้องนึกถึงนะการมีเครื่องอารักขาจิตโดยเพราะในยามยากแต่ว่าจะมีเครื่องอารักขาจิตหรือมีมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกลูลเราในยามยากนี่มันก็ต้องรู้จักหาตั้งแต่ตอนนี้ในยามที่สุขสบายดีเพราะถ้าว่ายากลําบากแล้ว หรือตกทุกข์ได้ยากแล้วนี่ถึงตอนนั้นนี่เรียกสติหรือว่าจะพึ่งพาสติก็อาจจะยากไม่ต้องร้อยเจ็บป่วยหรือไม่ต้องถึงกับถูกติดคุกอะ้หรอกแค่จเจอความผิดหวังในอาชีพการงานในชีวิตความสัมพันธ์ถ้าไม่มีมิตราอยามยากที่วาเนี่ยก็อาจจะพลาดท่าเสียีหรือว่า ตกลงการลำบากไม่เป็นผู้เป็นคนเลยก็ได้เพื่อการจลสติเนี่ยนะสร้างสติรู้จักกับสติให้มากขึ้นบํารุงนหล่อเลี้ยงสติให้งอกงามวันนี้เรารักษาสตินบํารุงสตินะวันหน้าในสติก็จะบำรุงรักษาเราแล้วก็เป็นมิตรที่คอยอารักขาเรา อาจจะเป็นอย่างเดียวเท่าที่เรามีก็ได้โดยเพราะในยามที่เจอวิกฤตในยามที่เจอความยากลำบากชาวเนี้พูท่นนี้นะขอะกราบคระ